ยิ่งสงสารตัวเองยิ่งอ่อนแอลงยิ่งอดครวนมากยิ่งเรียกชะตาร้ายเพิ่มการจมอยู่กับความรู้สึกสงสารตัวเองไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยก็ชีวิตจะดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อโลกภายในอึ่งโอนด้วยเสียงอดครวนดวงวิญญาณแห้งเหี่ยวรีบเล็กโรยแรง มีจิตเป็นอกุศลเข้ากันได้กับที่มืดโหยหาแสงสว่างแต่ขณะเดียวกันก็ทำตัวเป็นตรงข้ามคือหันหลังให้แสงสว่างหรือกระทั่งปฏิเสธแสงสว่างกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าไปถึงจุดนั้นแม้ตายก็ไม่มีแสงที่ปลายอุโมงรอช่วยตรงข้าม กลับจะยิ่งดำดิ่งลึกลงสู่ก้นบึ้งของความเศร้าโศกพบกับความเงียบเหงาหยืดเยื้อเหมือนไร้จุดจบขอให้สังเกตว่าตอนอดครวนให้ใครฟังแม้แรกๆเขาจะทำท่าใส่ใจจะด้วยรักใครหรือเกรงใจกันก็ตามแต่ยิ่งนานเขาจะยิ่งทำหน้าเมื่อยใส่ใจรับรู้น้อยลง หรือกระทั่งแสดงความเป็นทุกข์ออกมาทำท่าว่าเมื่อไหร่จะพ้นห้วงเวลาพันนี้สถทีนั่นเป็นหลักฐานชัดว่าคุณระบายทุกข์ของตัวเองออกไปแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนเกือบเกือบจะเข้าขั้นมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นกันเลยทีเดียวเห็นให้ได้ด้วยว่ายิ่งโอดจะยิ่งคิดผิด เช่นหลงนึกว่าเมื่อใครสักคนรับรู้เดี๋ยวโลกคงสงสารเดี๋ยวคงมีการบอกต่อเดี๋ยวคงมีอะไรในชีวิตดีขึ้นทั้งที่ข้อเท็จจริงคือคนเราไม่เคยชอบฟังใครโอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอดไปอย่างนั้นเองโอดแบบมองไม่เห็นอนาคตคนฟังย่อมรำคาญและเอาความรำคาญนั้นไปบ่นต่อ หรือเอาไปว่าว่าหมอเนี่ยใหญ่นั่นหน่าเบื่อหน้าออกห่างฝั่งแก่กรําครวนทีไรจิตตกทุกทีประมาณนั้นสรุปคือจะไม่มีใครเกิดกำลังใจช่วยกันคิดหาทางทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นตรงข้ามคนดีๆสิ่งดีๆจะยิ่งตีตัวออกห่างแล้วคุณก็จะมะโนไปเองว่า ชีวิตไม่เหลือใครไม่มีใครเหลียวแลทั้งที่แท้คุณไม่แยแสใครก่อนว่าเขาจะต้องเป็นทุกข์เพราะคุณขนาดไหนเขาจะต้องรับผิดชอบทุกข์ในชีวิตตัวเองหนักเท่าคุณหรือหนักกว่าคุณหรือเปล่าเพื่อจะถอนนิสัยช่างโอดไม่ใช่ฝืนใจห้ามเพราะช่วงหน้าโอดของชีวิตจิตใจมันฝืดมันฝืน เหมือนกำลังปีนเขาสูงอยู่แล้วคุณจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างที่รู้สึกง่ายไม่ต้องฝืนไม่ต้องออกแรงเพิ่มไปกว่านั้นเริ่มจากสังเกตว่าถ้าเคยชินมานานจะให้ห้ามปากห้ามความคิดไม่ได้อย่างไรก็ต้องโอดกาวเหวาและอาการอยากโอดครวนจะคล้ายอารมณ์คนติดยาต่างกันแค่ติดยา จะอยากเสพอารมณ์สุขส่วนติดโอดจะอยากเสพอารมณ์เศร้าจากนั้นต้องมองให้เห็นจริงเห็นจังว่าจะแอบโอดเงียบๆในใจหรือพร่ำโอดดังๆออกปากจิตคุณจะหมดมืดโอดน้อยมืดน้อยโอดมากมืดมากไม่โอดเลยก็ไม่มืดเลยใจว่างๆอยู่ท่องอีกที อดน้อยมืดน้อยโอดมากมืดมากไม่โอดเลยก็ไม่มืดเลยคุณจะประหลาดใจว่าแค่เทียบเคียงเรื่อยๆอยู่อย่างเนี้ยแต่ละทีจะมีความสว่างวาบขึ้นมาอ่อนๆค่อยๆขับไล่ความมืดมากหรือมืดน้อยทางจิตที่เกิดแล้วนั่นแหละอาการอยากเสพอารมณ์เศร้าจะค่อยๆลดลง อารมอยากหันไปหาอะไรที่เป็นสุขเป็นกุศลจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอยากเล่าเรื่องดีๆอยากให้ไอเดียกับคนอื่นอยากจัดโนนแต่งหนี้ให้ปลอดโปรง่งคุณจะต้องหยอดกระปุกไปเรื่อยๆสักกี่ปีก็ช่างขอให้มีกำลังใจเชื่อมั่นเถอว่ากระปุกสว่างเต็มเมื่อไหร่อาการติดยาโอดหายขาดเมื่อนั้น